มันบุคคลใดเนี่ยนะวัตถุใดที่เราสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยนะวัตถุนั้นมันมันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จริงๆเลยเนะี่ยถ้าสําคัญว่าวัตถุนั้นเป็นของเราเนี่ยนะมันทุกข์จริงๆอย่างอย่างสังเกตดูนะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปนคนปรปฐมกันเนี่ยนะซ้ายมือเนี่ยป่าช้ารถจอดทิ้งไว้เป็นร้อยๆคันเลยใช่ไหมมีใครรู้สึกไปโทรมานัดตรงนั้นไหมไม่มีผู้การก็ไม่เสียใจเลยพ่ารถเสียตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเนาะทําไมเป็นอย่างนั้น เพราะไม่ใช่ของเราอ่ะนะถ้าเป็นของไอคันนู้นกัของเราไอคันนั้นกับของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะกลับมาทั้งหลานอนไม่หลับเนี่ยป่วยแน่เลยนะถ้าของเรามันเสียหายไปขนาดนั้นตอนนี้อย่างน้ําท่วมในตอนนี้นะตั้งหลายประเทศเดียวกันนะแต่พวกเราไม่ได้คิดว่าเป็นของเราก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่เขาท่วมตายกันเยอะแยะไปหมดเราก็ธรรมดาอีกบางแห่งก็บอกแห้งแล้งใช่ไหมก็ไม่ใช่ของเราอีกเราก็ ไม่เดือดร้อนเพราะฉันทราคาถ้าไม่มีในสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญว่าเป็นของเราจริงๆเลยเนี่ยนะจะสุขปานใดเนาะถ้าไม่มีความสำคัญในวัตถุทั้งหลายว่าไม่ใช่ของเราโดยที่สุดแม้กระทั่งอุปาทานขันห้าภายในเนี่ยนะถ้าไม่สำคัญว่าเป็นของเราจริงๆแล้วจกสุขปานใด น, น, นะคือสัตว์ทั้งหลายที่มีความเห็นวิปริตเนี่ยนะแสวงหาความสุขที่สาคัญว่าเป็นของเรา อุปธิภายนอกอ่ะนะเขาบอกอุปธิบางท่านแปลบอกว่าสิ่งที่มันนุงนางอ่ะนะสิ่งที่มันนุงนางรุงรังทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเป็นทุกข์เหมือนกันเถอะทรัพทั้งหลายเนี่ยในเป็นอุปธิณะในภายนอกคือพูดอย่างนี้ว่าให้รู้ว่าวัตถุภายนอกเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งแห่งทุกข์เนี่ยนะเราไปลำบากใจเพราะวัตถุภายนอกกรรมเนี่ยถ้าเราถ้าเราใครมีกรร ม, มสักตาดีๆนะพูดแบบคนรู้กรรมรู้ผลของกรรมเนี่ย เราไปโทรมนัน้ไปเสียใจกับวัตถุภายนอกนะจิตของเราไปอยู่กับสิ่งนั้นๆ น, นเนี่ยมากขนาดไหนใช่ไหมเราไปเดือดร้อนเพราะวัตถุภายนอกเนี่ยมากสักเท่าไหร่อย่างอย่างที่สมมุติว่าเขามีนาอย่า ง, งนะั้นมีที่นาเยอะๆเนี่ยแล้วที่นามันถูกผู่บุกรุกบ้างอะไรบ้างถามว่ามันไปทุกกับที่นานั้นมันขนาดไหนมาๆยังนึกเลยนะโยมพ่อเขาเข า, เขามีคนเล่า ว, ว่ามีผู้เขารุกที่นะ ออกมาเนคฟังแล้วคขำขำเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเราไม่ได้บวชนะเราสําคัญว่ามันเป็นของเราสงสยัยสงสัยเดือดร้อนแน่พรบวชมาอย่างนี้นมกอนมาเนคเนีนะ่ยเออหมดก็หมดไปนี่ไม่ใช่ของเราซะหน่อยเห็นเราเดือดร้อนอะไรเลยนะแต่ถ้าตอนนะั้นถ้าสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยโอ้โหโถมานัดมากเลยนะมาน้ํำก็จะเข้ามาแล้วใช่ไหมโรคศักด์ศีสารพัดโรคจะเข้ามาแล้วเล่นงานจิตหน้าดูเลยแต่นี้เราก็ฟังแล้ว ก, ออก็นึกคขำขำดีเอ้อดีเหมือนกัน วัตถุภายนอกเนี่ยที่ที่บุคคลมีมีทั้งหลายเนี่ยเราเคยมอาม า, มาถามดูนะมีอะไรมั่งที่เราไม่เคยเสียใจในเพราะวัตถุนั้นเลยมีไมมตั้งแต่เคยมีของเนี่ยนะโดยที่สุดแม่ปากกาว่ั้นเถอะปากกาดินสอที่เราว่ามีมีแล้วไม่รู้สึกว่าเราเป็นทุกข like ์กับสิ่งนั้นนั้นเลยเนี่ยนะก็อยู่ที่พื้นฐานว่าแล้วแต่ของใครอีกครั้งหนึ่งนะเราอยู่ที่พื้นฐานของความยึดถือว่าเขามีอะไรมาชดเชยหรือเปล่า คนที่ไม่ค่อยไปทุกข์ร้อนกับอีกสิ่งหนึ่งะนะเนื่องจากไอ้มีของชดเชยอยู่อย่างเช่นถ้าบุคคลใดคิดว่าตนเองมีความสุขเพราะวัตถุใดเนี่ยนะถ้าวัตถุนั้นเขาเสียหายไปเขาจะทุกข์ร้อนมากเขาจะเสียใจมากแต่ว่าจะเลิกทุกข์ต่อเมื่อมีอีกสิ่งหนึ่งชดเชยอย่างแม้กระทั่งความสุขในวัตถะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าว่าให้สัตว์ละง่ายๆมันละไม่ได้หรอกเชื่ อ, อพูดยังไงเขาก็ละไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้รับความสุขจากนิพพานก่อน จะคิดเลยว่าเขาจักละเขาไม่มีทางละหรอกพูดยังไงก็ไม่ละต่อเมื่อเขาแทงตลอดอมะตะคือพระนิพพานเมื่อนั้นเขาจักละเองให้เขายึดเขาก็ไม่ยอมยึดอีกเพราะเขาได้สุขที่ที่ดีกว่าชั้นใดก็ดีเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายไม่รู้สุขที่สงบไม่รู้สุขที่ประนีตไม่รู้จักสุขที่ไม่มีโทษก็เลยไปแสวงหาไปเพลิดเพลินไปติดข้องในสุขที่มันมีมีทุกข์มีโทษเนี่ยนะทีนี้ย้อนมาดู ต่ออีกนิดหนึ่งที่พระองค์นนะเหมือนที่มารผู้ชั่วช้า น, นะกลิ้งหินใหญ่ให้ตกลงจากภูเขาคิจขกุฎเพื่อให้ทัพพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้หากว่าท่านจะทำภูเขาคิจกูฎทั้งหมดให้โยกคลอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้หลุดพ้นดีแล้วก็ไม่มีความหวั่นไหวเลยบุคคลพึงแยกท้องฟ้าพึงทำแผ่นดินให้หวั่นไหว แม้เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงพึงสะดุ้งโดยแท้แม้หากว่าบุคคลพึงยิงลูกศรไปที่พระอุระคืออกพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่กระทำการป้องกันร่างกายด้วยเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้รู้ได้อย่างนี้ว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสร่างกายว่าเป็นอุปธิเนี่ยนะเป็นที่ทรงไวซึ่งคุฑพระองค์เนี่ยไม่หวั่นไหวจริงๆในร่างกาย ถามว่าทำไมจึงจึงถึงคนอื่นเขาคิดค่าพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้เสียใจเพราะเหตุการณ์นั้นเลยเพราะว่าจิตของพระองค์เนี่ยไม่ได้มีกังวลในในร่างกายโดยประการทั้งปวงพระองคไม่มีฉันทราคะาในกายโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะอย่างที่ว่าเป็นกตายสำหรับพระพุทธเจ้านี้ไม่ต่างกันมีใครบ้างพูดง่า ย, ายว่าดีใจมากรู้ว่าอีกสามเดือนตนจะตาย มีไหมโอ้ดีใจจริงๆเลยเนยะโสมนัสถึงกับเปล่งอุทานออกมาดังๆเลยโู้สุขดีจริงๆที่รู้ว่าตนเองจะตายบอกพระพุทธเจ้า <c oughs> ใช่ไมตอนที่อะไรนะที่เจดีอะไรนะปาวานเจดีนะที่อะไรนะปลงมายุสังขารอีกสามเดือนจะตายนะพระ อ, องค์โสมนัส ด, ดีใจมากะนะนี่คือคือพระ อ, องค์เนี่ยยินอ่าเรียกว่าอะไรแต่ก็ไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายอะไร แต่ให้รู้ว่าสังขารทั้งมวลไม่ได้เป็นที่รักแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอันนี้นี่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะตอนที่เป็นพระโ พ, พธิสัตว์ก็เหมือนกันไม่มีสังขารอื่นที่ท่านรักเท่าสัพพัญยุตยานเพราะฉะนั้นอย่างอื่นท่านก็บอกว่าท่านก็รักนะแต่ไม่รักเท่าสัพพัญยุตยานทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สัพพัญยุตยานพอมีสัพพัญยุตยานเสร็จก็ไม่ได้ยึดติดอะไร น, นะไม่ได้รู้สึกว่ารักสัพพัญยุตยานแบบแบบตอนนั้นอีกแล้วเนี่ยนะ พ่อรู้กระบวนการของปัจจัยได้เป็นอย่างดีก็รู้ว่าสัพพัญยุตยานทั้งหลายก็เพื่อช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นเองแต่ว่าโดยรวมๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ตัดฉันทราค้าในร่างกายโดยประการทั้งปวงเมื่อตัดฉันทราค้าในกายโดยประการทั้งปวงแล้วเนี่ยนะพระองค์จึงไม่มีไม่มีความอาลัยอาวร์ในกายโดยประการทั้งปวงอแล้วทําไมของเราทั้งหลายเนี่ยนะ หวงมากเลยนะร่างกายห่วงมากเลยชีวิตทำไมเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราเราอาศัยสิ่งนี้ถือว่าสิ่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสำหรับเรานะเราได้สุขโสมนัสจากสิ่งเหล่านี้มากนะเราไม่คิดว่าสิ่งนี้มันคือมหาภาระที่เราจะต้องแบกไม่รู้จักจบสักสิ้นเนี่ยนะเราไม่ได้มีมนัิการไว้แบบนั้นแต่ถ้ามนสิการแบบนั้นเนี่ยมองว่า ตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นแผลทั้ง6แผลที่รักษาไม่มีไม่มีหายไม่มีจบไม่มีสิ้นเนี่ยนะเพราะถ้าเห็นเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นตลอดกาลเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเราจะตัดชั้นราคะได้เหมือนกัน น, นะก็จิตก็จะน้อมไปในธรรมะที่สงบประงับแต่เนื่องจากว่าเราได้อัดสาทะได้สุกโสมนัตมาจากสิ่งเหล่านี้เราจึงยึดถือห่วงแหนเกาะเกี่ยวผูกพันในในสิ่งเหล่านี้มากจึงทะนุทน้อมหวงแหนจริงๆ เมื่อใดเนาะจะเห็นกายนี้ว่าเป็นอุปธิเนี่ยนะเป็นที่ทรงไว้ซึ่งทุกขเป็นที่รองรับแห่งทุกขเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเนี่ยนะทุกทั้งมวลเนี่ยนะเรื่องเสียหายในโลกเนะี่ยถ้าไม่มีกายเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะหลายแห่งที่ที่เขามีปัญหามีอะไรนักที่เรียกว่าหน่ากลัวนะถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงตรงนั้นไม่เห็นว่ามันน่ากลัวอะไรเลยเพราะไม่มีเราเข้าไป เกี่ยวข้องนั้นความสําคัญว่าเป็นเราเนี่ยนะในใ น, ในวัตถุภายในเนี่ยมันเป็นอุปทิจิจริงๆเพราะทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากอุปทิเนี่ยนะทุกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากร่างกายเนี่ยอาศัยมีกายนี่แหละทุกทั้งมวลนี่มันจึงมีขึ้นถ้าไม่มีกายอันนี้นะถามว่าเราจะต้องสแสวงหาอะไรไหมเราต้องรับภาระสารพัดภาระที่จะต้องแบกต้องหามเป็นต้นไหมก็ไม่ต้องเนี่ยนะต้นเหตุแห่ง แห่งต้นเหตุด้วยเหตุนี้นะทั้งหมดที่กล่าวว่าปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ เ, เพลิดเพลินในร่างกายแต่พระองค์ได้ตรัสว่าร่างกายนี้เป็นอุปธนะิและเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องผูกที่ทําด้วยเหล็กด้วยไม้และทําด้วยยาบล่องว่าเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงนะความเพ่งเล็งที่ติดด้วยความกําหนับ อย่างยิ่งในบุตรและภริยาทั้งหลายคู่ประดับต่างหูแก้วมณีอันใดมีอยู่ความประดับอ่ะ น, นะผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวเครื่องผูกที่หย่อนหย่อนแต่หน่วงเหนียวอแต่หน่วงเหนียวอย่างยิ่งแก้ได้ยากว่าเป็นเครื่องผูกอันมั่นคงคาถาข้างล่างต่อกันบุคคลทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นแล้วไม่มีความเยื่อใยละกามมาสุขเสียได้แล้วย่อมไป ที่บอกว่าความติดในบุตรภริยาผู้ประดับด้วยต่างหูแก้วมณีอันใดมีอยู่ น, นะวัตถุนั้นเนี่ยเป็นหลักที่ผูกมั่นคงมากนะเป็นเป็นใครจะว่าดีนะเป็นเป็นเสาหลักที่มั่นคงจริงๆ น, นะนะสําหรับในวัตถุอันเป็นที่รักเนี่ยนะเหมือนกับอย่างว่าผู้ที่มีบุตรนะถึงไปอยู่ที่ไหนนะหลักอันนั้นเน่ยยังปักไว้อย่างมั่นคงเลยนะบุตรเนี่ยนะเป็ น, เ ป, นเป็นที่อะไรนะ เป็นที่โครจรแห่งจิตของบิดามารดาไม่ใช่น้อยนะถึงไปอยู่ไกลาปลานใดนะคิดถึงไหมมานั่งฟังทำนี่นี่ถ้าเขาโทรมาจะว่าอย่างไรเนี่ยโอ้ต้องรีบไปซะก่อนนะเนี่ยนะโอ้เป็นเสาหลักที่มั่นคงมากนะตันหาที่ผูกไว้นะดูมันฉุดไปเนี่ยไปทันทีเลยนะกริง้งเดียวเนี่ยก็ไปแล้ะ มันมันก็เป็นหลักของกันและกัรอ่ะนะตันหามันมันมันมันมันหดได้มันยืดได้เดี๋ยวก็ดึงกระต่ายดึงกันมากระชากติดไปกระชากติดมาอยู่นั่นแหละสรุปว่าวัตถุการมความอยากในวัตถุกรรมภายนอกเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกที่ที่เหนียวแน่นมากที่มั่นคงมากแล้วก็ตันหาในภายในอ่ะนะตัวตันหาในภายในของเราเนีเป็นเชือกที่ที่เหนียวจริงๆ ถ้าเรามองแบบอันนี้นะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนะแล้วมันมีเชือกมัดอายตนะภายในกับภายนอกมันมีเชือกสิบเส้นมัดอยู่อะไรสังโยตสิบเนี่ยนะมันมัดนะตามองเห็นปั๊บเชือกสิบเส้นมัดไว้เลยพราะมันติดขนาดนั้นนะหนึ่งลองไล่ดูนะหนึ่งอะไรสกรายยติฐิสังโยตเนี่ยนะต่อไปวิจิกิจชาสังโยชตศีลพตาปรามาสสังโยชต การมรรคสังโยชน์ปฏิฆสังโยชน์อะไรรูปปาราฆสังโยชน์อรูปปาราฆสังโยชน์มานะสังโยชน์อุทะจะสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์เนี่ยนะถ้าเป็นพระสุพระพิธรรมก็บอกว่าริศยากับมัจฉริยะสังโยชน์เนี่ยโอ้มันมัดไว้ตั้งเชือกเป็น10บสเส้นนะมีน้ําหลุดยากเหลือเกินทวารตานะมัดไว้10เส้นทวารหูมัดอีก10ทวารจมูกมัดอีก สิทาวารลิ้นมัดอีก10ทาวารกายมัดอีกสิกทาวารใจมัดอีกสิแล้วมัดไว้หลักไม่ใช่หลักเดียวด้วยนะสารพัดหลักที่ไปมัดไว้โอ้มิน่าออกยากขนาดนี้นะติดนไปหมดเลยเหมือนการทําปริญญาเหมือนกับไปถอนหลักทีละต้นทีละต้นนะจะได้เลิกผูกตรงนั้นสักทีหนึ่งถ้าทําปริญญาในวัตถุใดวัตถุนั้ น, น, น, น, นก็มันก็ค่อยหลุดมาเรื่อยๆใช่ไหมถ้าไม่ทําปริญญาเนี่ยนะ ดูว่าไม่รู้จะเป็นนักโทษทหารอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะเพราะถูกมัดไม่เต็มไปหมดเลยวัตถุภายนอกเป็นความอยากในวัตถุภายนอกเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์เป็นเครื่องผูกที่มั่นคงส่วนการละตันหาในอารมณ์ทั้งหลายที่ตั้งแห่งภายนอกเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นเหตุแห่งความสุขใช่ไหมถ้าถ้าตัดฉันทราคะในวัตถุทั้งหลายมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพย ม, มานเขาจะลองเหมือนกับจะฆ่าพระราหุลเลย ดูที่พระพุทธเจ้าจะทําใจยังไงพผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยนะพระราหุลเป็นกับพระราหุลตายนะสาหรับพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้มีโทมนัสเหมือนกันเป็นก็ไม่ได้โทโสมนัสด้วยอำนาจตันหาตายก็ไม่ได้โทมนัสด้วยอำนาจโทสะเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีอภิชากับโทมนัสในบุคคลที่เรียกว่าพระราหุลเลยเพราะอะไรรูปประคันของพระพราหุลพระองค์เห็นโดยอนุปัสนาเจ็บ เวทนาขันของพระราหูนพระองค์ก็เห็นโดยอนุปัสนาเจตวิญญาณขันขันที่เหลือทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตามเห็นขันห้าของพระราหูโดยอนุปัสนาเจตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่มีอภิชากับโทมนัทในวัตถุที่เราเรียกว่าพระราหูโดยประการทั้งสวงอันนี้นี่พูดระดับมงคลข้อท้ายๆแล้วนะเดี๋ยวไปทิ้งมงคลข้อหนึ่งข้อสองข้อต้นๆ น, นี่แย่เลยก็ อ, อย่างที่กล่าวมีโยมคนหนึ่งเขาบอกว่า แม่บ้านเขาไม่สบายเขาไม่สนใจไม่ดูแล อ, อะไรสักอย่างเขาบอกว่าเขาไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเสียหายไหมเสียหายนะเพราะงั้นก็มงคลอันนี้พูดชั้นสูงอยู่ยังไงยังไงก็ชั้นล่างให้แน่นเลยนะไม่ใช่ว่าเนี่ยเรียนอริยศาสตร์มาทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายหมดแก่จะตายก็ตายไปสิเพราะมันตายเป็นธรรมดาไงะนะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าพระภิกษุอาพาธนี่ก็ต้องมีการดูแลการมีการรักษากันอยู่ ในที่นี้หมายถึงให้ตัดฉันนราคะในวัตถุทั้งหลายถ้าลองคิดดูนะว่าอารมณ์นั้นๆเนี่ยถ้าตามเห็นอารมณ์นั้นโดยอนุปัสนาเจตเนี่ยนะจะตัดฉันนราคะได้จริงไหมเห็นวัตถุนั้นแหละเห็นวัตถุนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเราก็วิธีฝึกคิดง่ายๆนะลองลองฝึกดูแบบฝึกดูแบบคร่าวๆเนี่ยดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยมาคิดดูเนี คิดดูไม่เที่ยงอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นนั้นน้าเบื่อหน่ายเพราะเหตุนั้นเหตุน Sang ั้นหน้าตัดฉันนราคาเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นน่าสละคืนเพราะเหตุนั้นนั้นเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ถามว่าจักเยื่อใยในดอกไม้นั้นไหมคิดละเอียดคิดอยู่นั่นแหละดอกดอกเดียวเนี่ยคิดอยู่ครึ่งวันอย่างนั้นนะคิดอยู่อย่างนี้สักสามปีเนี่ยถามว่าจักมีเยื่อใยในสิ่งนั้นไหมในขันห้าก็เหมือนกันถ้าเรามาไล่คิดใครครวญแบบนี้นะ ถามว่าจากมีความเยื่อใยตันหาฉันทราคะในวัตถุนั้นไหมปัญหาที่ไม่ค่อยเจริญเราก็ไม่เชื่อเอ๊นำอกอกจากทุกิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปคิดอย่างนี้มากๆนี่นำอกอกจากทุกหรือเปล่าอันนี้ที่เราเจริญได้ไม่ค่อยมากก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ทีนี้ย้อนมาถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่รักร่างกายเลยใช่ไหมพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีฉันทราคะในร่างกายเลยใช่ไหมบอกใช่ทําไมพระ อ, องฉันล่ะ ทำไมพระองค์หาผ้ามาปิดทําไมไม่ทําตัวแบบนิครนไปเลยนุ่งลมหอมอากาศไม่ต้องไปยึดถือปล่อยให้มันหมดไม่ต้องไปอาลัยอาวร์มันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันทําไมไม่เป็นอย่างนั้น น, นะก็พระเจ้ามิลินเคยถามพระนาคเกษนพระนาคเสสน์บอกว่านี่มหาบพิษทหารของพระองค์เคยไปสู่สนามรบไหมบอกเคยทหารของพระองค์มีบาดแผลบาดเจ็บกลับมาเนี่ยมีไหมมี น, นะ ถามว่าแผลเนี่ยเป็นที่รักของทหารไหมบอกไม่เป็นเอ้าแล้วทําไมแผลเนี่ยคอยประครบประงมคอยเช็ดคอยล้างอยู่นั่นแหละถามว่าทหารเหล่านั้นเขารักแผลหรื อ, อยังไงทําไมหูค่อยๆเช็ดก็ค่อยประครบประงมแผลอยู่นั่นแหละถ้าว่างไงกันนีนั่นแหละพาทหารทั้งหลายท่านเห็นกายเป็นอย่างนั้นจริงๆ น, นะเป็นแผลใหม่แผลสดที่ดูแลกันไม่มีจบมีสิ้นมันท่านไม่ได้มีเยื่อใยถึงดูแล เกี่ยวข้องก็เหมือนกับดูแลแผลศพเท่านั้นเองนะท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่างภาษารีบุตรท่านบอกว่าท่านเบื่อหน่ายอึดอัดชิงชังในกายนี้จริงๆแต่ว่าก็ต้องดูแลกันไปประคับประคองไปนะเหมือนกับผู้ที่มีแผลแล้วดูแลแผลฉะนั้นนะนั่นนี่มาดูต่อไปอีกนะว่าเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าตาและหูเป็นต้นเจ็บป่วยไม่สะอาดเน่าเหม็น อาศัยร่างกายไหลออกอยู่ตลอดวันและคืนอันคนเข่าทั้งหลายพากันชื่นชมยิ่งนักแล้วก็กกชมจริงๆอ่ะนะอย่างที่เรียกว่าตาหูเป็นต้นเนี่ยก็ชอบมากอ่ะนะถ้าสมมุติว่าโอ้เขาสวยมากเลยนะแต่ว่าตาบอดทั้งคู่เลย น, นะสนใจไหมก็ไม่น่าสนใจอะไรอนะสวยมากแต่หูหนวกหมดเลยทั้งบอดด้วยทั้งหนวกด้วยนะโอ้แต่กัญญาก็ <c oughs> <c oughs> แต่นี้เราก็ติดข้องไปหมดอ่ะนะ ทั้งๆ ท, ง ท, งที่ธรรมชาติเขาเป็นของที่เจ็บป่วยไม่สะอาดเน่าเหม็นด้วยเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้รู้ได้อย่างนี้ว่าในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการละตันหาในอารมณ์เป็นที่ตั้งภายในมีจักสุเป็นต้นและเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าท่านจงตัดตันหาคือความรักของตนคือความรักตนเนี่ยนะเหมือนบุคคลเด็ดดอกบัวที่เกิดในสาระธด้วยมือฉะนั้น จงพอกพูนเหตุแห่งพระนิพพานความสงบเป็นนั้นพระนิพพานพอกพูนเหตุเหตุเป็นชื่อของมรรคพอกพูนทางแห่งพระนิพพานพระพุทธเจ้าทรงแสดงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ไว้แล้วเพราะฉะนั้นจงเจริญธรรมมรรคเถอดพระนิพพานเสละพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วด้วยเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้รู้ได้อย่างนี้ในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ก, การละตัณหาอันมีอารมณ์เป็นที่ตั้งในภายในมีจักขู่เป็นต้น นะอันนี้เป็นเหตุ น, นะเหตุก็คือพระองค์ต้องการจะแสดงให้ตัดฉันทราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะกายใจเนี่ยนะมีอยู่ในสูตรสูตรว่าด้วยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายหน้าตมหาตุกะสูตรเนี่ยนะก็ถ้าใครทรงจําธรรมะ30แบบอธิต่ปริยัจยสูตรอยู่แล้วได้เนี่ยนะอันนี้สบายมากเลยพระองค์บอกว่าจักขโคไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักขโคเสีย จับคู่ที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปเสียรูปที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะจักคูวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักคูวิญญาณเสียจับคูวิญญาณอันเธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขจักคูสัมผัสไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละจักคู่สัมผัสเสีย จากขูดสัมผัสที่เธอทั้งหลายละแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขนะแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเ ป, เป็นปจัจจัยไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือแม้อขขาทุกขมสุขเวทนาที่มีจากขูดสัมผัสเ ป, เป็นปจัจจัยเสียนะถ้าเธอละได้อย่างนี้แหะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขน่ยนะก็แค่สาธยาอย่างนี้ก็มีความสุขแล้วนะนะ จริงๆนะถ้าสละสาธทายอย่างนี้จริงๆก็สบายใจจริงๆอ่ะนะเพราะความทุกข์ความปริโภทศความกังวลเนี่ยเกิดจากความยึดถือในสิ่งเหล่านี้นั่นแหละมันก็เออตอนหลังมาสาธยายสูตรนี้สบายใจขึ้นเยอะเอาเลยเศรัทธาเลยสาธยายบ่อยหน่อยนะก็เราก็จําได้แบบอทิตตะปรยายสูตรอยู่แล้วใช่ไหมก็ธรรมะสามสอยู่แล้วเราก็มาว่าเนี่ยจักรูไม่ใช่ของเธอทั้งหลายไลอย่อย่างนี้อยู่30ครั้งเนี่ยนะโอ้สบายใจกันเยอะแล้วนะ แต่ไปคิดเรื่องอื่นนี่วุ่นวายคิดเรื่องอย่างเงี้สบายใจที่สุดเนี่ยนะโอ้ทละนี่แค่คิดยังสบายใจเลยนะทละได้จริงๆจะสบายขนาดไหนเนี่ยนะมันก็จิตก็จะน้อมไปเพื่อการละพระองค์ก็เลยบอกแสดงว่าเจริญสติสัมโพชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลละเนี่ยนะเจริญสัมมาเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะปีติปัสสัททิสมาธิอุเบกขาสัมโพชงทั้งหมดเนี่ย อาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละถ้าเจริญอย่างนี้สละได้จริงๆคงเป็นสุขจริงๆนะเนี่ก็น้อมน้อมไปเถอะจิตมันยังไม่ค่อยยอมก็ไม่เป็นไรให้รู้ว่าเขาไปทางไหนก็ดีใจก่อนนะะให้รู้ว่าเขาเดินไปเส้นทางไหนนะที่เขาประสบความสุขนะนะเราจะได้ก้าวๆตามท่านบ้างเพื่อจะได้ความสุขเหมือนท่านนะแล้วก็เลาะๆกันหน้าดูเลยนะประตูแห่งอมะตะเนี่ยนะมันสุตะที่เรา าถามว่าในโลกนี้นะที่พึ่งที่จะช่วยเราได้คือความเข้าใจเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่เกิดแม้แต่เกิดจากสุตตะเป็นต้นก็เป็นที่พึ่งของเราได้อย่างมากแล้วพระองค์จึงตรัสว่าสุตะก็เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งนะพหูสูตรเนี่ยก็เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งเพราะนั้นผู้ที่เป็นมีพหูสูตรมีความเข้าใจในพระธรรมระดับหนึ่งนะนะพวกนี้ไม่ค่อยหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเขามีทรัพย์ เงื่อนไขการเจริญสติปัฏฐานปฏิบัติเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าห้ามชอบห้ามชังพิจารณาสิ่งนั้นตามเป็นจริงเช่นกายความเป็นจริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะความจริงของเขาคือมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเนี่ยนะห้ามไปบอกว่าไปชอบในสิ่งนี้ห้ามชอบแต่ห้ามชังนะพระพุทองค์จึงบอกว่ากําจัดอภิชาและโทมนัตกําจัดอภิชาจะได้เลิกชอบ กำจัดโทมนัสจะได้ไม่ชังแล้วก็ปัญญาก็ค้นคว้าต่อไปห้ามชอบห้ามชัง น, นะนะก็เงินขายเขามีอยู่เท่านั้นนะมัน อ, อ, อย่างที่กล่าวว่าตอนนี้นะธรรมะที่เรากําลังสนทนาหรือฟังกันอยู่เป็นธรรมะระดับสูงเป็นมงคลเกือบจะ น, นิพพานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงมงคลต้นๆ้ น, ต, น, ต, นต้องไม่ลืมนะมาตาปิตตอุปัฏฐานังปุตตะทารสสังกะหัวนาคุลาจกรรมมันตาเอตมังกะลมุตตะมังเนี่ยมงคลต้นตนี่ต้องดีใช่ไหม นะการสงครอบบุตรภรยาการอุบัมอุปถักบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นอุดมมงคลเป็นเหตุแห่งความเจริญถ้าลองมงคลข้อต้นๆไม่ค่อยดีนะมงคลระดับอริยสัจเจริญไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวลูกกระจ ง, งงงแง่เลี้ยงลูกไว้ไม่ดีลูกก่อกวนไม่ต้องไปเจริญนะธรรมะชั้นสูงเนี่ยนะ ถ้าไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยพ่อแม่ป่วยไข้เดี๋ยวคนโน้นก็มาดา่าทําไมไม่รู้จักดูแลพ่อแม่เป็นต้นเดี๋ยวก็ไม่เจริญอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นมงคลข้อล่างๆเนี่ยต้องดีจริงๆ จ, งจึงจากเจริญมงคลข้อสูงๆฉะั้นบางคนบอกว่าแม่เนี่ยเขาเนี่ยจะอยากบรรลุเหลือเกินแต่ว่ามงคลข้อแรกๆ ก, ก็ไม่ค่อยทำเนี่ยนะอันนี้ก็ยังไงก็ไม่ได้บรรลุเชื่อไปทํำยังไงก็ไม่ได้บรรลุเนี่ยนะเพราะว่ามันมันอะไรอ่ะ เหมือนกับคนจะเดินทางไกลเนี่ยนะเดินทางไกลในเส้นทางที่มันขรุขระไม่ยอมก้มดูเฉพาะหน้าที่มันเดินขรุขระเป็นเหวเป็นบ่อเนี่ยนะหวังแต่รูน้นมองแต่ที่ไกลนัล่นแหละก็เลยโดดเดินไปแล้วก็เลยตกเหวตายซะก่อน